25. ห้าจิต ท, ที่ใช้ทำสมถะและจิต ท, ที่ใช้ทำวิปัสนาวงเล็บเปิดสิบหมกราคม2 5งนห้าในวงเล็บสองจุดจุดนาทีส8บปวงเล็บปิดบทเรียนของพระพุทธเจ้าสามบทคือศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาขั้นแรกต้องมีศีลก่อนศีล ส, สำคัญที่สุดถ้าไม่มีศีลเหมือนสร้างบ้านแล้วไม่มีพื้นฐานอะไรเลยบ้านพังแน่นอน สมาธิปัญญาจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสล้วนๆอย่างเทวทัตไม่ใช่งโง่นะเทวทัตฉลาดและเก่งนะถึงเป็นคู่ชกกับเจ้าชายสิทธัตถได้สติปัญญาเก่งสมาธิเก่งเหาะเหินเดินอากาศได้แต่ขาดศีลก็พินาศล่มจมลงไปเพราะฉะนั้นมีศีลสำคัญนะเสร็จแล้วก็มาเรียนเรื่องจิตของเราให้ดีจิตชนิดไหนเป็นกุศลจิตชนิดไหนเป็นอกุศลค่อยสังเกตไป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 แล้วก็ต้องรู้ว่าจิตชนิดไหนใช้ทําสมถะจิตชนิดไหนใช้ทําวิปัสสนาจิตที่ใช้ทําสมถะและวิปัสสนาถ้าพูดแบบอภิธรรมเป็นจิตชนิดเดียวกันเรียกว่าในเครื่องหมายคําพูดมหากุโสลจิตญาณสัมปยุตในเครื่องหมายคําพูดมหากุโสลจิตญาณสัมปยุตแบ่งตามเวทนาได้สองอย่างนะโสมนัตเบิกบานใจกับอุเบกขา แบ่งตามที่เกิดได้อีกสองอย่างเกิดด้วยเกิดเองเพราะมีกำลังกล้ากับเกิดเพราะถกูกชักชวนให้เกิดต้องโน้มน้าวให้เกิดรวมความแล้วคูณกันเข้าไปนะก็มีจิตอยู่สี่ดวงตามตำราคือจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นมหากุศลจิตประกอบด้วยปัญญาทั้งสี่ดวงแต่ว่าบางดวงเป็นอุเบกขาเกิดเองบางดวงเป็นอุเบกขาจูงใจให้เกิด บางดวงเป็นสมณัตเกิดเองบางดวงเป็นสมณัตจูงใจให้เกิดจิตที่มีกําลังกล้าที่สุดคือจิตที่มีปัญญามีสมณัตเกิดเองสิ่งที่พวกเราเรียนจากหลวงพ่อนะคือเรียนจนจิต ด, ดวงนี้เกิดขึ้นในอภิธรรมที่เรียนกันไม่ได้จําแนกว่าจิตดวงไหนควรแก่วิปัสนาจริงๆคิดว่าทั้งสี่ดวงนี้ควรที่จริงดวงที่ควรมีคู่เดียวคือยานสัมปยุตที่เกิดเองอสังขาริกังในวงเล็บ ไม่มีการชักนำถ้าจงใจให้เกิดโน้มน้าวให้เกิดจะเป็นจิตที่ทำสมถะถ้าจิตที่มีกำลังมันเกิดเองนะไม่ได้จงใจมีสติสติเกิดเองอย่างนี้ถึงจะเอาไปทำวิปัสสนาจริงๆได้แต่ถ้าโน้มน้าวให้เกิดอันนี้เป็นจิตที่ใช้ทำสมถะ